เมื่อถึงเวลานอนถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับเราควรจะช่วยโอกาสเมื่อเวลานอนไม่หลับเนี่ยให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเราดีกว่าไปคิดฟุ่งซ่านหรือวิตกกังวลใจหรือกดข่มความหลับให้เสียเวลาเราควรจะใช้การนอนไม่หลับให้เป็นประโยชน์ซะโดยการเจริญสติภาวนาการเจริญสติภาวนา ในขณะที่เรานอนไม่หลับนั้นนอกจากจะเป็นการปฏิบัติทําแล้วยังช่วยทำให้จิตใจของเราเนี่ยได้พักผ่อนเป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณ